อยากสงบเป็นอย่างนีนมาวต้องฮัเอาอย่างนี้แหละคนเอาสมส ง, งบเ้าอยากเป็นมสงบไดยอยากสงบเ็นมาเช่นีาา 4, ้เขาก็ต้องส ง, งบนนั่งอยู่ิดมิ ด, มด้อมมือจของอยู่นี่แหละข้า้องจะของเห็นดีดแล้วมันสิเห็นแนวดีดีดอกข้างนอก อันเทาสงบนีแล้วเียวออกไปบงางนอโอ้ยอันด้ดีูจัมั้คือจังเยนนมวาแุ่ยน่ีอันเนะางนนงสงบอยู่นี่เ เ, เขา้ม เ, เขาโอ้งแมนเป็นพนจนีจักมีนสงบรวมน้นมันูจัหมดฮดเอา้ละผู้ใ ด, ดเป็นเอง มันมมีลูรูเป็นเขตขั้วถึงงบไปได้เนกับมเมนต์ลของเอาไว้เจ้าโกเจเกไว้โมเมนต์เดือนส่งมเนตลของไว้เป็นกองกองกองกองนบหูใสแองไว้มาเอามาแวนตัดเอาตัดเอาหนึ่งมันมนต์อน่งแบบสองเฮดเอาทั้งนั้นแบบมานี่ยานางอยู่ยังสี่งงบนิสยา ยาปายาเหลียวไปพุ่ไปที่้อมมุงจะของหยมือนกันยาคืดไส่ยาปากึป็เ ง, งื่อนหล่ะเฮ็ดนี่ิรู้ดูมันเป็นเนีมยมุ้ยพู้ได้หูจักน้ำเข้าดอกเข้าเป็นต่เหาา้าได้ผู้ปกครองขั้วเามือนยูดเดินก็ได้ก็บพได้ดอกอยืเพื่อนก็บพได้ยืดวัดก็บพได้ไม่พิสุดเขามากกะสายไปบพไดย้ยัง อยากได้ย่อยากได้ ส, สมสงงอยอยากเป็นภาวนายุมาหอดบัดรหลายคนบอกว่าวิธีภาวนาให้เจงสี่เลอนั่งย่มิดมิดยะัปากยัจีนยะคิดยัดขด้ปไก่เลยแต่ฝ้าเห็ด น, น้เพลนาแล้วันพูดได้มันจะเปลี่ยนดอกอันท่เอตัวดูแล้วมันเป็น มันทีเป็นยูใจม่นก็อยากต่อมอยากโคมยูไม่เคยเหาดึงไปนั้มันคื้นท่านพื้นมีเช็นั่นเช็นี่ว้านั่นโรนี่ไปหัดเห้มันซ่อมเดี๋วของหนูไม่บันโอ้มีบ่มีเนว่ยจดซ่อมมีรถซ่อมยูนี่หละผูจัดว่านังบ้นเนี่ยนั่งยูนี่นี่ผู้จัดฟอะไรจะสีด่ตักเตือนมันบดเตือนเนบ่มีไผเตือนหรอกมูน้งแฟนตั้งแ ลื่นกันโสเครื่อนกันคุยเคลื่อนกันเราขับรถเปลี่ยนเกี่ยวของโอ้ยดีว่าไรเนี่ต้องมู่งจักเปลื่ยนตนเองเป็นแรงจส้เด็กเป็สีดีเขาอยากดีเขาอยากสงบฮัดเข้มข้สงบฮัตกดให้มันเป็นผ่านออกไปนั่นะเขามานั่งอยู่นี่คิดว่ามันมากจังหันคือคือว่าคันพูออกเป็นเรามาเอาวินิจเราขวัสงบ คนมาวัดจนมากคุยกันโจ้เจีโจ้เจี๊โ้เจีจ๊เลยโดยมากแห่งระยะวางกรีกินเขาตั้งตู้นัน่นตออนนักอันนั้นผู้นี้ตัด อ, อันนี้เห็นอแจ้วแก้วเลยเื่อกันจับนกมากินมาให้ยังะอืมบันนี้เ่านห้องู้จัดซ่อมซ่อมเบอราโอ้กูปากปากน้าวซ่อมมูให้นดีเห็นหอกุกู้นั่นกระว่ากู้นี่กระว่านะ ท่วมดีส่เคยถึงนแค่เข้าเลยเขาหูจักแล้วมิดมันเป็นยังไงกันมิดยู่สงบนั้นเป็นยังไงมันจีหูจักนี่หละเอามันอไ่เอามันอไเป็นเป็นยาำนี้หละนะต้อง ม, มาเรือ